ที่ค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆที่พวกเราทุกคนได้รับระบารมีจากพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมคมสอนในวันที่19กันยายน2556กยิ้มน้อยเด้นนั่งกข้มามา ถอดกาเทนัยขึ้นไปข้าเฟ้าพระพุทธเจ้าในดินแดนความสงบสุขแผ่งหนึ่งเมื่อหนูนั่งใช้คำบิกรรมสัมมาสัมพุทธะปัจิมาสัมพุทธะทำแบบนี้จนท้องออกแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นมา และร่างกายขอหนูก็เป่งด้วยแสงบารมีจากที่หนูน้อมพลังจากพระองค์ท่านเข้ามาสูกา่กายแล้ว ก, กายจายในก็กลายเนดอกบัวแก้วไซส์หนึ่งดอกถอดออกมาเขี่วตรงข้างหน้าแล้วก็แตกออกมาเหมือนดังดอกบัว ที่กำลังบานออกหนูเชิม น, นั่งอยู่บนดอกบัวแก้วนั้นแล้วก็ลอยไปสู่ฟ้าผ่าทะลุเมฆทะลุพื้นโลกนี้ผ่านไปจนเจอกับอากาศที่หนึ่งสีฟ้าแล้วก็ผ่านที่นั่นไป จนไปพบกับอีกที่หนึ่งพล้ายคลึงกับกับผืนของน้ำเมื่อหนูทะลุอากาศตรงนั้นออกไปหนูจึงลอยลงไปสู่บนพื้นดินที่นั่นเป็นสระดอกบัวเต็มไปด้วยดอกบัวแก้วสว่างเจิดจ้าสวยงามประดับเต็ม บนผืนน้ำและก็มีผู้ที่หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นั่งเต็มไปหมดในถ้ำกลางแห่งนั้นมีแต่ความเย็นสบายจนหนูรู้สึกว่าหนูเองนั้นโล่งปลอดโปร่งไม่มีสิ่งใด กายนั้นมีแต่แก้วหนูจึงเดินเข้าไปเรื่อยๆตามทางจนมีที่แห่งหนึ่งเป็นคล้ายเคิง ก, กันกับปากถ้ำหนูก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็คุกเข่าลงพนมมือไหว้แล้วอธิษฐานจิตว่าวันนี้กวนอิมน้อย จะขออนุญาตขึ้นมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อ น, นำพระธรรมคำสอนธรรมะกลับไปเผยแพ่พระเจ้าค่ะทันใดนั้นก็มีแสงสว่างจดเจ้าออกมาจากในนั้นและเป็นเปลีบดอกบบวแก้วลอยอยู่ตรงข้างหน้าของหนูจงเหนือศีรษะของหนูขึ้นไป เมื่อหนูแหงนหน้ามองขึ้นไปก็พบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านกำลังนั่งอยู่บนดอกบัวพระองค์ท่านจึงพูดกับหนูว่ามีอะไรล่ะควรอิ่มน้อยหนูจึงทูลต่อพระองค์ท่านไปว่าพระพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้กวรอิ่มน้อยไปพบเจอกับเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งทำให้คนอิ่มน้อยขาดใจไม่เข้าใจจึงนำความข้องใจนั้นกลับมาทูลถามพระองค์เพื่อรับคำตอบคำตอบและจะได้หายข้องใจและเผื่อว่าจะเป็นยากลับไปรักษาคนที่หาคำตอบไม่ได้ด้วยเจ้าค่ะพระองค์ท่าน จึงถามคนอิมน้อยว่าเขาละและสิ่งที่หนูคาใจอยู่คืออะไรล่ะลูกหนูจึงทูลตอบพระองค์เช่นไปว่าสิ่งที่หนูคาใจอยู่คือความขัดแย้งของผู้คนก็ดีเทวดาก็ดีจัตก็ดีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะความคิดที่เห็นต่างกันมันจึงก่อเกิดได้เป็นความขัดแย้ง และหากกราตกเป็นเหยื่อในสิ่งนั้นนั้นเราจะต้องทำยังไงละเจ้าคาและจะต้องมีความคิดสิ่งใดเพื่อเพ็นยามารักษาให้เรานั้นหาจจะกสิ่งนั้นได้ละเจ้าคาเมื่อหนุทูลถามพระองค์ท่านจบพระองค์ท่านก็ทรงพูดออกมาว่าเอาละลูกหนูลองมองขึ้นไปบนฟ้าฟ้าห น, นุนสิ หนูก็ได้มองขึ้นไปตามที่พระองค์ท่านบอกพระองค์ท่านจึงพูดตามไปด้วยว่าบนท้องฟ้านั้นก็ย่อมที่จะมีเมฆหลากหลายสีมีค้อนที่น้อยค้อนที่ใหญ่เต็มไปหมดและบนพื้นแผ่นดินนั้นก็ย่อมที่จะมีสิ่งของอยู่มากมายหลายอย่างหลายแบบ บ้านเรือนน่าจะมีหลายหลังเต็มบนพื้นดินไปหมดแต่ก็ไม่มีหลังไหนที่จะเหมือนกันส่วนดอกไม้ก็มีหลากหลายสีหลากหลายชนิดต้นไม้ก็มีหลายแบบหลายอย่างที่ผ่างกันไปแล้วจะแตกต่างแล้วจะแปลกอะไรล่ะลูก หากว่าความคิดของคนเรานั้นมันจะต่างกันแม้มีครูบาอาจารย์เพียงองค์เดียวลูกศิษย์ลูกหานั้นยังคงเกิดความขัดแย้งคิดเห็นต่างกันแม้มีบิดามารดาเพียงคนเดียวกันแต่กลุ่มพี่น้องนั้นก็ยังมีความแตก แล้วคนอื่นคนไกลยายเล่าจะมีความคิดเห็นที่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมดาแต่ผู้ที่จะชนะต้องมีจิตใจหนักแน่นอดทนเช่นดั่งแผ่นดินและต้องมีจิตใจที่กว้างขวาง ดังพื้นฟ้าต้องมีจิตใจชี่เย็นดังสายน้ำผู้นั้นแหละจึงจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือฟ้าชนะทุกสิ่งได้เข้าใจไหมลูกเมื่อพระองค์ท่านพดจบ โ, นโนหนจึงทูลถามพระองค์ท่านต่อไปอีกว่าพระองค์เจ้าขาแล้วถ้าหากว่า คนที่คิดว่าตนนั้นแข็งแกร่งมีความเก่งกล้ากล้าหาญกล้าที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไร้สติปัญญากับอีกคนหนึ่งที่เขาใช้ความอ่อนโยนและก็อ่อนแอบ้างแต่เขามีสติปัญญารู้ว่าจะต้องทำยังไง รู้ถึงเหตุผลที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความฉลาดในระหว่างสองคนนี้ใครและเจ้าค้าพระองค์ที่จะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงพระองค์โปรดให้คําตอบคนกิมน้อยด้วยเจ้าค้าเมื่อพระองค์ท่านฟังคําถามของหนูจบท่านจึงพูดกับหนูว่า ใบมีดที่ไร้ความคมย่อมที่จะบาดมือเราไม่ได้และหากเทียบกับใบหญ้าคาก็จะมีค่าไม่เท่ามันด้วยซ้ำไปใบหญ้าคาแม้จะเป็นแค่ใบหญ้าที่อ่อนโยนสามารถใช้มือเด็ดหักมันได้แต่มันมีความคมอยู่ในตัวมันก็สามารถที่จะบาดมือเราได้ เข้าใจไหมเมื่อพระองค์ท่านถามหนอหนูเชงตอบพระองค์ท่านว่าขอบพระองค์โทรงแม่กาอธิบายด้วยเจ้าค่ะหนูยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างกระจ่างเท่าไรพระองค์ท่านเชงอธิบายต่อไปว่านั่นเปรียบเสมือนคนที่แข็งแกร่ง มีความดื้อดันแต่ว่าไร้สติปัญญาย่อมที่จะได้แพ้นในที่สุดและย่อมที่จะทำอะไรไม่สำเร็จทำอะไรไม่ได้แต่คนที่อ่อนแอและทำอะไรด้วยความอ่อนโยนแต่มีสติกำลังและฉลาดมีสติปัญญาและฉลาดในการจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงเมื่อพระองค์ท่านพุทธศพหนูจึงทูลถามพระองค์ท่านต่อไมาอีกว่าพระพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้พระองค์จะเมตตาประทานธรรมะอะไรให้กับคนอิมน่อยอีกหรเจ้าขาพระองค์ท่านจึงบอกคนอิมน้อยว่าเอาละลูกหนูลองมองไปทางโน้นสิ เดี๋ยวเราจะให้ธรรมะด้วยธรรมชาตินี่แหละเพราะธรรมะของเราอยู่คู่กับธรรมชาติอยู่แล้วหนูจึงมองตามไปที่พระองค์ท่านชี้บอกและพระองค์ท่านก็ทรงพูดกับหนูว่าหนูเห็นไหมล่ะลูกข้างบนท้องฟ้านั้นมีนกตัวใหญ่กำลังบินเฮินอยู่บนอากาศ ข้างล่างนั้นก็มีกระ่ายสีขาวตัวหนึง่งกำลังวิ่งมาเจอกับงูเห่าตัวหนึง่งและงูตัวนั้นก็กำลังจะตัดกระ่ายน้อยในขนาดนั้นกระ่ายน้อยก็แหงหน้าขึ้นมองบนท้องฟ้าแล้วก็คิดในใจว่าหากฉันตายไปก็ดีสินะ ฉันจะได้ไปเป็นนกตัวนั้นที่บินเหินอยู่บนอากาศจะได้ไม่มีภัยอันตรายแบบนี้ในขณดที่กระสายน้อยกําลังคิดอยู่นั้นงูตัวนั้นก็แงนขึ้นไปมองนกตัวนั้นเช่นเดียวกันและกําลังคิดกลัวในใจว่านกตัวนั้นจะบินลงมาฉกฉันขึ้นไฟหรือเปล่านะ และในขนาดที่นกตัวนั้นกำลังบินเหนินด้วยความสบายสนุ students, กอย on ู่กับสิ่งที่ตนเป็นอยู่ก็มีคนอีกคนหนึ่งกำลังซุ่มอยู่ใต้ต้นไม้กำลังเจาะลูกธนูจะยิงขึ้นไปให้โดนตัวของนกนั้นเองและข้างหลังของคนนั้นก็มีวิบากกรรมที่ตามมา เพื่อที่จะให้ชดใช้ต่อไปอีกนั่นย่อมแปลว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ย่อมที่จะมีศัตรูคิดล้ายกับเราและย่อมที่จะมีคนที่อยากจะเป็นเช่นเรามีทั้งฝั่งที่สนเสริญฝั่งที่ทำร้ายฝั่งที่อยากเป็นเหมือนเราและฝั่งที่จะตัดรอนเราเหมือนดังที่กระ่าย อยากจะเป็นนกเพราะคิดว่าจะพ้นจากภัยอันตรายแต่นกที่บินอยู่บนท้องฟ้าอันกว้างอยู่ที่ไหนก็ย่อมมองเห็นนั่นแหละก็ยิ่งอันตรายยิ่งกว่าและก็ยังมีมนุษย์ที่ซุ่มที่จะยิงนกตัวนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันก็สอนให้เรารู้ได้อยู่แล้วว่าหากเรายังมีตัวตนอยู่ เราก็จะย่อมที่จะมีสิ่งที่ดีและไม่ดีกระทบเข้ามาเป็นธรรมดาเข้าใจไหมลูกเมื่อพระองค์ท่านพดทชกโหนอจึงโทนถามพระองค์ท่านต่อบปฏิเว่าแล้วถ้าหากว่าเราตกอยู่ในเหตุการณ์เช่นนี้เราจะต้องทำยังไงล่ะเจ้าคะเพื่อให้เราหลุดจากมันไป เพื่อให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อในที่นั้นพระองค์ท่านชินตอบหนูมาว่าสิ่งเดียวที่เราจะหลุดได้คือการไม่มีตัวตนหากเรานั้นยังมีตัวตนอยู่เราก็ย่อมที่จะตกเป็นเหยื่อเข้าใจไหมเมื่อพระองค์ท่านพูดจบหนูชินตอบพระองค์ท่านว่า เข้าใจแล้วเจ้าขาหลังจากนั้นโนจ้นทูลถามพระองค์ท่านตอไปอีกว่าพระพุทธเจ้าเจ้าขาแล้วถ้าหากว่าเรากำลังมุ่ง ม, มั่นทำความดีกำลังสร้างบุญสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นๆ และสัตว์โลกให้เกิดความสุขความเจริญเกิดสิ่งดีๆกลับมาแต่ในขณะที่เรากำลังตั้งใจทำนั้นก็มีผู้ที่คอยสร้างความเดือดร้อนมาตัดรอนสร้างสิ่งที่ไม่ดีมาดัดทางทำล้ายทั้งกำลังใจและทั้งตัดรอนให้เราไม่สาเร็จเรารู้สึกเหนื่อย แล้วก็เป็นทุกข์กับมันมากเราจะต้องทำยังไงลราเจ้าขาเพื่อให้เราหลุดจากสิ่งนั้นและเพื่อให้เรามีกําลังใจที่จะทำต่อไปเมื่อหนูเทินถามพระองค์ท่านจบพระองค์ท่านจึงพูดกับหนูว่าเอาละกวรอิมน้อยหนูลองมองโดยใิลูก ที่ทุ่งดอกไม้นั้นเต็มไปด้วยดอกไม้ที่สวยงามหลากหลายสีมีกลิ่นหอมโชยตามสายลมแต่ย่อมมีมแมลงมีผึ้งไสตอมเป็นธรรมดาและทุ่งหญ้าแห่งนั้นจางสวยงามเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ก็ย่อมมีสัตว์ต่างๆที่มาอาศัยอยู่ พร้อมกับตั้งสิ่งตกรกรปงใสทุ่งหญ้าแห่ง น, นั้นแต่หากว่าเป็นเช่นสายน้ำสายนั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ย่อมมีสัตว์ที่มากินคนเราหรือสัตว์ย่อมที่จะอยู่ไม่ได้หากขาดน้ำไปเมื่อเราจะสร้างบุญสร้างคุณงามความดี สร้างความสงบล่อมเย็นก็ย่อมเปรียบเทียบเช่นดังเราเป็นเช่นสายน้ำและย่อมมีคนมาอาบชำระร่างกายดื่มกินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและแน่นอนว่าบนโลกนี้จะขาดน้ำไปไม่ได้ใครๆก็ย่อมบัตรานา และจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ําแม้ต้นไม้ต้นหญ้าก็ยังต้องการเพราะฉะนั้นหากบางคนเขามากินน้ําแล้วเมื่อเขาอิ่มเขาก็อาจจะ บ, บน่นว่าน้ําบ่อนี้เหม็นน้ําบ่อนี้ไม่สะอาดน้ําบ่อนี้ ขุ่นจังแม้บางคนก็ปนบางคนก็ชมนั่นก็ย่อมเป็นธรรมดาแต่ท้ายที่สุดสัตโลกและทุกสิ่งทุกอย่างย่อมหนีไม่พ้นน้ำเราจงทาตนเองให้เป็นน้ำตั้งจิตตั้งใจขุดบ่อน้ำของเราไปเรื่อยๆเถิดลูกให้น้ำของเราใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้น และดูแลมันให้ใสสะอาดอยู่เสมอเพื่อลอรับการช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นและการให้ความอุดมสมบูรณ์กับธรรมชาติ้พาพจไในรูกเมื่อพระอง์ท่านพวดจบนอเชินทนตอบพระองค์ท่านว่าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพระองค์ท่านเช่นถามหนูว่าเขาละยังไม่เข้าใจอะไรอีกไหม หนูจึงขอบพระองค์ท่านว่าต้องเข้าใจกระจ่างแจ้งแล้วเจ้าค่ะหนูขอกราบนรมาสการลาพระองค์เพื่อกลับเอาพระธรรมคําสอนกลับไปเปแผ่สว่โลกมนุษย์นะเจ้าคะ่ะและไว้อกขาดหน้าหนดจะมาท่องเที่ยวสวรรค์ท่องเที่ยวิถพานและมาข้าพ้าพระองค์เพื่อ น, านําพระธรรมคําสอนไปเผยแผ่อีกนะคะ และองท่านชงยิ้มเล็กน้อยแล้วก็พูดกับหนูว่าไปเถอะรีบไปขุดบ่อน้ำของเจ้าให้เสร็จเร็วๆนะคนที่รอกินยังมีอีกเยอะอีกเยอะอยา่าไปสนใจเลยกับคนที่กินแล้วติหรือชมมีหน้าที่แค่ขุดไปเรื่อยๆเข้าใจไหม หนูจึงยิ้มแล้วก็กราบนมสัส ก, การลาพระองค์ท่านแล้วก็ลอยออกมาจากที่นั่นด้วยดอกพวงแก้วขอหนูลอยออกมาอย่างยินแดนสวรรค์แล้วก็ลอยกลับมาสู่โลกมนุษย์เพื่อมาถ่ายพระธรรมคําสอนเรียนธรรมาทานให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านในฝั่งกัณฑ์นะจ๊ะก็ขอให้ ท่านผู้ฟังทุกท่านจงพรจากความทุกข์ที่แพ่นอยู่และให้มีกำลังฉันมากเพิ่มขึ้นยิ่งเรื่อยเรื่อยไปจากพระธรรมคำสอนนี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ